ก็ที่ว่าเราคงไม่ว่านะที่เรามาเริ่มต้นรายการชุมชนคนสวนปีนี้ด้วยการพูดเรื่องความตายเพราะว่าสำหรับบางคนการพูดเรื่องความตายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสิริมงคลใช่ไหมแล้วก็คนเราเวลาจะเริ่มต้นอะไรก็ตามแล้วก็อยากจะเริ่มต้น ด้วยสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นเราเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันหรือบางคนก็ไปใส่บาทพระทำบุญหรืออย่างเราจะเริ่มอยู่บ้านใหม่แล้วก็มีการทำบุญมีการทำพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล <c oughs> แต่พอมาพูดเรื่องความตายนี่คนจนํานวนไม่น้อยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสิริมงคลนะอันนั้นมันไม่เป็นสิริมงคลแน่ถ้าเกิดว่าเราเราฟังแล้วแล้วเราเกิดความทุกข์เกิดความหม่นหมองนะแต่ถ้าเราฟังแล้วเราเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาเกิดความตื่นตัว รู้สึกว่าชีวิตแต่ละนาทีมันมีค่ามีความสำคัญเราไม่ควรจะปล่อยให้มันผ่านเลยไปอย่างไม่มีประโยชนนะ์หรือว่าเมื่อเราลึกถึงความตายแล้วก็เกิดความรู้สึกที่จะต้องเตรียมตัวนะทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์สมบัตนะิอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นมงคลได้นะ ที่จริงแล้วการพูดเรื่องความตายเนี่ยมันอาจจะอาจจะดูแย้งๆนะกับงานของพวกเราหรือชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นคนสวนเพราะว่าชีวิตของเรานะในทาาที่เราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเรานก็พยายามที่จะก่อกำเนิดหลอเลี้ยงฟูมฟักธรรมชาติขึ้นมา หน้าที่ของเราหรือว่าเป็นเป็นชีวิตของเราเนี่ยก็คือการสร้างสรร์เราสร้างสรร์ชุมชนขึ้นมาจากความว่างเปล่าหลายที่เราปลูกต้นไม้เลี้ยงดูตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดแล้วก็กลายเป็นต้นกล้าชีวิตของเรามีความสุขกับการที่เราได้สร้างสรร์ได้ก่อกาเนิดสิ่งต่าง ขึ้นมาบางคนก็ถึงกับนะมาเริ่มต้นมีครอบครัวก็จากก็ในชุมชนนี้นะลูกนะมีลูกนะก็เมื่อมาอยู่ชุมชนช่องคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องการสร้างสรรการก่อเกิดการให้กำเนิดนะโดยสายธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องเลี้ยงดู แต่พอพูดเรื่องความตายแล้วนี่มันดูเหมือนมันจะสวนทางนะกับกับอุดมคติของเราหรือว่ากับวิถีชีวิตของเราแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้แย้งกันเลยนะเพราะว่าเราซึ่งอยู่กับธรรมชาตินี่เราก็คงจะตระหนักว่า การเกิดกับการตายนี่มันเป็นมันอยู่ในวัฏจักรเดียวกันนะการที่เราได้มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้ทำสวนทำไร่เนี่ยเราก็ก็ประจักษ์แก่ใจว่าเราได้เห็นการเกิดและการตายอยู่เป็นประจำปลูกต้นไม้ขึ้นมาเสร็จ แ, แล้วต้นไม้ก็เจริญเติบโต แล้วเขาก็ตายไปแต่ว่าปาการที่จะสร้างสารรค์ให้เกิดความเจริญเติบโ ต, ตได้เนี่ยมันต้องอาศัยความตายของอีกหลายชีวิตอย่านะงเช่นปุ๋ยนะที่เราเอามาบำรุงต้นไม้เนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีอยู่แล้วเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติให้ปุ๋ยธรรมชาตินั่นก็คือคือผลพวงของความตายจะเป็นซากพืชซากสัตว์ ตายเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงนะชีวิตต้นไม้ให้เจริญเติบโ ต, ตแล้วในสุดต้นไม้เหล่านั้นก็เมื่อถึงเวลาเขาก็ก็ตายไปแต่การตายของเขามันก็นำไปสู่การเกิดนะเป็นวัตจักอย่างนีนะ้เราอยู่กับวัตจักของธรรมชาตนะิเราได้เห็นภาะที่ขึ้นภระิี่ตก <rev> เห็นความหมุนเวียนผันเปลี่ยนของฤดูกาลอันนี้เราจะเห็นเราจะประจักษ์ได้ชัดเจนกว่าตอนที่เราอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองนี่บางทีมันสว่างมันสว่างกันทั้งวันทั้งคืนเลยอากาศฤดูกาลนี่แทบจะไม่แตกต่าง ก, กันเลยเพราะว่าเราอยู่ในเครื่องอยู่ในที่ที่มันปรับอาก า, กาศแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยเห็นชัดถึงความแตกตา่างความหมุนเวียนผันเปลี่ยนของฤดูกาล ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันก็กระบวนการ็คือกระบวนการหรือวัฏจักรของความเกิดดับแล้วก็แปลเปลี่ยนนั่นเองนะใความตายของคนเรานะเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกแยกไปจากจากวิถีชีวิตของพวกเรานะมันคือกระบวนการหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับทุกชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรการเกิดดับที่เราเห็นอยู่กับธรรมชาติแล้วก็วัฏจกักรเราเนี่ยที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราในฐานะที่เป็นคนสวนนะถ้ามีแต่ภาธิขึ้นไม่มีภาธิตกนะถ้ามีแต่ฤดู ก, การฤดู ก, ๆๆการหนึ่งนะมันก็ไม่เจริญเติบโตต้นไม้ หรือว่าการที่เราจะปลูกจะให้กำเนิดดอเลี้ยงธรรมชาติสวนของเราให้เจริญเติบโตก็ต้องอาศนะัยอาศัยความตายของหลายๆชีวิตนะที่จะมาช่วยให้มันกกเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะเห็นแล้วว่าเรื่องความตายนี่มันมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ อปลกแยกหรือสวนทางกับวิถีชีวิตหรืออุดมคติของพวกเราในฐนานะที่เป็นชาวสวนหรือว่าเป็นคนที่ต้องการสร้างชุมชนคนสวนให้ใหเกิดขึ้นในอย่างที่เราพูดไว้แล้วว่าความตาย ม, มันเป็นสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราคําถามหนึ่งที่ เราคงจะต้องถามกันก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่เราเจ็บหนักหรือว่าเมื่อความตายใกล้เข้ามาเนี่ยเราจะตายอย่างไรทุกวันนี้เราเลือกที่จะมีชีวิตยอยู่อย่างท่ามกลางธรรมชาติอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ บางคนก็อาจจะปฏิเสธเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนะพราะไม่เห็นประโยชน์ของมันอันนี้แล้วถึงเวลาที่เราจะตายละเราจะตายอย่างแบบไหนจะตายอย่างไรเราเคยอันนี้คือคำถามนะซึ่งทราว่านนันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเราจะตายโดย มีเทคโนโลยีนานาชนิดเข้ามาแทรกแซงเข้ามากํากับร่างกายของเราเพื่อที่จะยืดลมหายใจของเราให้ยาวขึ้นไปอีกอาจจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรืออาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือเปล่านะเราเลือกจะตายอย่าง อย่างอย่างไรตายแบบไหนตายอย่างธรรมชาติอย่างที่เราเลือกที่จะอยู่อย่างธรรมชาติหรือว่าเราจะตายด้วยการดะ ด, ดมเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่นะอันนี้เป็นคำถามที่เราคงต้องคิดกันต่ว่าไปต้องคิดกันตั้งแต่เนิน่นๆะอย่าไปรอว่าเมื่อถึงเวลา เจ็บป่วยหนาแล้วค่อยมาคิดกันเพราะถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้คิดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตกอยู่ในวงวนตกอยู่ในหรือบางทีเขาเรียกว่าตกกระไดพอกระโจนไปแล้ว เ, เราเก็คงทราบอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้นี่คนส่วนใหญ่ก็ประมาณ 90% ซนะ ก็ตายอย่างช้าๆก็คือตายที่โรงพยาบาลประมาณอ0ตายแบบกระทันหันกระทันหันเช่นอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าหรือว่าหัวใจวายตายขาที่เนี่ยประมาณแค่สิบรที่หลือ 90% เนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะนานนานนี่ก็อาจจะเป็นเดือน อย่างเหมียวนี้ก็เกือบเดือนเมียวนี้ถือว่าสั้นเพราะว่าตายแบบไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไงไม่รู้ว่เป็นโรคอะไรได้ซ้ำแต่ถ้าเอารู้เป็นโรคอะไรนี่ใช้เวลานานเพราะว่ามันก็ต้องใช้ยาใช้อะไรฉะนั้นโอกาสที่เราแต่ละคนที่จะมีชีวิตอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วก็แวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นานาช น, นทีนี่เป็นไปได้สูงคำถามคือว่านั่นคือความตายที่พึงปรารถนาหรือเปล่านะแล้วเรามีสิทธิที่จะเลือกตายได้ไหมอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่เราคงต้องคิดกันนะเสียแต่เดี๋ยวนี้แต่ว่าอยากจะมองอยากจะให้มองความตายในมุมที่กว้างออกไปด้วยนะ เวลาเราพูดถึงความตายเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าความตายนั้นเนี่ยมันเรามักจะนึกถึงแต่เพียงว่ามันคือความแตกดับในทางกายความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานอันนี้ก็จริงอยู่ แต่ว่ามันเป็นการการมองด้านเดียวของความตายคือมองแต่มิติของกายภาพความตายมันมี22 ง, ง, งด้านใหญ่ๆคือทางกายและทางใจก็มันก็ชีวิตเนี่ยชีวิตมันมีทั้งกายและใจถ้าเรามองแต่ความตายในแง่กายภาพเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เรื่องที่น่าทุกข์ทรมารเรื่องความพ่ายแพ้เรื่องความาความ ความแตกดับเจ็บปวดแต่ถ้าเรามองความตายในอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของของจิตใจเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่แม้ว่าจะเจ็บปวดทางกายเนี่ยแต่ว่าใจเขาสามารถสงบไดนะ้เขาก็สามารถที่จะประครับประครองจิตให้อยู่ในความสงบนะแล้วก็ไม่ทุรนทุรายได้ทั้งทั้งที่ร่างกายนี่มัน มันไม่ไหวแล้ว น, นี่คนเราเนี่ยถ้าเรามองความตายแต่ในแง่ของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะหาข้อสูตรว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องพยายามที่จะใช้ยาใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุดนะเพื่อไปเปลี่ยนแปลงควบคุมร่างกายไม่ให้มันตายเร็วแต่ว่าลืมเรื่องจิตใจไป อันนี้เป็นปัญหามากเพราะว่าเดี๋ยวนี้พ่อลูกหลานเนี่ยเวลาจะอยากจะอยากจะช่วยแม่หรือพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือแม่ขั้งลูกของตัวเองที่กำลังเจ็บหนักเนี่ยเนื่องจากเขามองแต่มิติด้านกายอย่างเดียวเขาก็คิดอย่างเดียวว่าทำไงถึงนี้ใช้เทคโนโลยีให้มาไดีสุดเพราะฉะนั้นก็จะลงเอยว่าขอให้หมอ ทำทุกอย่างที่จะช่วยชีวิตเขาให้ได้หรือยืดชีวิตเขาออไปเพราะว่าหมอเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องเทคโนโลยีญาติผู้ป่วยนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือว่าหมอทำทุกอย่างเต็มที่แล้วก็มักจะลงเอยว่าคนคนป่วยนี่นก็ถูกสอดท่อถูกปั๊มหัวใจฟอกเลือด สารพัดทา้งต้องที่เจ้าตัวนี่ก็เจ็บก็ปวดแต่ว่าลูกหลานญาติผู้ป่วยก็ต้องกัดฟันให้หมอทำอย่างนั้นเพราะคิดว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยเขาได้ช่วยคนรักของเราได้แต่เขาไม่ได้นึกว่ายังมีอย่างที่เขาช่วยได้ซึ่งหมอทำไม่ได้เลยคือการช่วยทางจิตใจการช่วยทางจิตใจสำคัญ คนเราหมอมเห็นตรงนี้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าฉันไม่จําเป็นต้องให้หมอเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อช่วยเพราะคิดว่านันเป็นวิธีที่จะช่วยคนรักของตัวเองได้เขาจะพบว่ายังมีอีกวิธีนี้ที่สามารถช่วยได้หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำก็คือว่าช่วยทาง จ, จิตใจและเป็นเรื่องที่ ญาติผู้ป่วยเนะี่ยทำได้เองไม่ต้องพึ่งหมอหรือพยาบาลด้วยนะก็ยังมีบางคนเนี่ยนะมีหมอคนหนึ่งเขาก็เขาก็เห็นผู้ป่วยเนี่ยนะอาการหนักแล้วแต่ลูกนี่ก็ยังอยากจะให้ทำโน่นทำนี่นะฟอกไตปั๊มหัวใจนะหมอก็บอกว่าหมอเขาก็ไม่ได้ห้ามนะว่าอย่ า, อ ย, าอย่าทำ แต่เขาก็บอกว่าการฟอกเลือดเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกไม่กี่ชั่วโมงนะคุณสามารถทำอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ได้ลูกก็ถามว่าอะไรเนะหมอก็บอกว่าเนี่ยคนเราเมื่อเวลาจะตายเนี่ยนะจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะจิตสุดท้ายที่เลืออสังนักกรรมเนี่ยสำคัญนะคุณเนี่ยสามารถช่วย แ, แน่คุณเนี่ยตายอย่างสงบได้เพราะว่าถ้าจิตสุดท้ายเป็นกุศลเนี่ยก็ไปสู่สุคติพอพูดอย่างนี้เข้านี่ตัวลูกนี่ตัดสินใจเลยนะว่าเขาตัดสินใจเองเลยว่า ง, งั้นอย่าปั๊มเลย <c oughs> เขาก็จะเขาก็จะเขาก็มานั่งคุยกับแม่แน่นี่ยก็อาการหนักเกิดจยอโคมมากเขาก็คุยกับแม่นะหมอก็แนะว่าก็พูดเรื่องที่ดีๆที่ ท, ที่แม่เขาฟังแล้วมีความสุขนะเขาก็พูดก็คุยกัแมนะ่ถึงอดีตพูดถึงเรื่องบุญกุศลที่แม่ได้ทาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกพูดถึงเรื่องความภูมิใจที่แมนะ่ได้ทำหน้าที่ต่อลูกต่ อ, อครอบครัวคนป่วยก็มีความสุขคนป่วย ก, ก็ก็เริ่มสงบนะ แล้วนายสุก็จากไปนะด้วยดีอันนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยคิดคิดพึ่งเทคโนโลยีเพราะเขาคิดว่าเขาคิดแต่ความตายแต่ในแง่ของการยืดอายุทางกายแต่ไม่ได้มองในแง่ของจิตใจแต่ถ้าเขาคิดว่ามันมีทางที่จะทำได้นะในทางจิตใจเนี่ยนะคนก็จะเลือกวิธีนั้นได้ อันนี้เนะี่ยถ้าเรามองความตายในมิติของของจิตใจนี่เราจะพบว่าความตายมันไม่จำเป็นต้องเป็นวิกฤตเสมอไปความตายเป็นวิกฤตถ้ามองใ น, นแง่ของกายภาพเพราะว่ามันเจ็บปวดมันแตกมันตีนจะแตกดับธาตุไฟธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาดไฟธาตุาดดาาาลมมมันมันมันแตกดับเลี้ยงกันไปเลย ไม่มีทางไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้แต่ถ้ามอนในทางจิตใจแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้คือถ้ามองในกายเนี่ยมันมีแต่มันมีแต่เสื่อมมันมีแต่สุดมันมีแต่พังลงไปเท่านั้นแหละแต่ถ้ามองใ้จิตใจเนี่ยมันมันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีจากคนซึ่งกลัวทุกทรมานกังวล เสร็จ แ, แล้วในสุดเขากจากไปด้วยใจสงบไม่ทุรนทุรายแบบนี้มีเยอะมากเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยกลับมีอาการซึ่งหมอนี่ก็แปลกใจอย่างเช่นเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีเพื่อนมีมีพี่ของเพื่อนนะพี่สาวของออสออรสีอ่ะ นะชื่อโยมพันธุ์บดีก็ป่วยนะเป็นมะเร็งหายมาทีแล้วปกตกว่าพอมันเกิดขึ้นใหมน่นี่หมอหาไม่เจอหรือหมอเผลอไงไม่รู้ทำให้มันมันลามขึ้นมาใหม่แล้วก็เขาคิดว่าในแง่ น, นี้ก็เป็นความผิดพลาดของหมอที่จับจับไม่ได้ในการขึ้นมาครั้งที่สองแต่ว่าอันนั้นมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ก็พยายาม นะพยายามรักษาแต่เขารักษาทางการทางใจด้วยแต่ก็อาการก็ซุดดำเลื่อยๆมาจนกันทั่งสุดท้ายนี่เขาบอกเขาไม่รักษานะแล้วเขาก็ตายเริ่มเป็นพิษตายเริ่มเป็นพิษนะออกจากโรงพยาบาลเข้าสุดท้ายเนี่ยหมอบอกว่าเนี่ย ถ, ถ, ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทำอะไรกับตายเนี่ยก็จะก็จะตายภายในเวลา1อาทิตย์แล้วก็จะตายอย่างทุกข์ทรมานมากเลยมันจะเบลอจะมีภาพร้อต่างๆ แต่ปรกฏว่าโยมคนนี้เนี่ยเนื่องจากได้เตรียมตัวมาตลอดเรื่องความตายแกสนใจเรื่องการรักษาบบธรรมชาติด้วยแล้วก็สนใจเรื่องชีวจิตสนใจเรื่องการฝึกจิต ด, ด้วยสนใจเรื่องการฝึกจิตเพรากลัวกลัวว่าจะตายไม่สงบแกมีความกังวลว่าจะตายให้สงบจะตายโดยไม่เจ็บปวดได้อย่างไรเป็นความกังวล อย่างเดียวเลยคือล่วาตายแน่แต่จะตายยังไงก็เลยพยายามที่จะฝึกจิตพยายามที่จะทำบุญมีเพื่อนมาคุยมีการสวดมนต์อันที่สุดท้ายนี่ก็ก็ก็มาก็มาที่บ้านคือมาตายที่บ้านเจ้าตัวนี่รู้แต่ญาติพี่น้องไม่รู้ ก็บอกว่าตลอดอาทิตย์นั้นเนี่ยแกรู้ตัวตลอดเลยแล้วก็ไม่เลยทุรนทุรายแม้กระทั่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยสองชั่วโมงสุดท้ายนี่ยังของกินข้าวเลยขอกินข้าวก็คนที่ที่บ้านก็นึกว่าสงสัยจะดีขึ้นแล้วละ่ะก็ให้กินข้าวกินได้ 2-3 คําคำก็ไม่ไหวแล้วก็หลับไปในระหว่างที่หลับนั่นเองเนี่ยนะพี่น้องก็พี่น้องญาต ญัดยาตลวทั้งลูกแล้วก็แม่นี่ก็มันนะาก็มายืนล้อมเตียงแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์พันจบเป็นสวดมนต์แบบจีนนะนะสั้นๆไม่ไม่ไม่กี่ไม่มนต์จบหนึ่งก็ประมาณสัก10บคำได้ในระหว่างก่อนนั้นนี่แกก็มีความสุขนะที่ลูกหลานจากเมืองนอกนี่มาเยี่ยม การที่ได้เห็นคนญาติพี่น้องพร้อมหน้าแล้วก็เมื่อมีคนมาสวดมนต์นะก็สวดมนต์ก็แก็มีความมีความสงบมากเลยหว่างที่สวดมนต์นี่แม่มาทักก็ยังดูเหมือนจะตอบรับได้แต่ผ่านไป อาจจะสัก20สินาทีก็ปก ว, ว่ามีคนสังเกตเอาไปซะแล้วหมดลมซะแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดก็ยังสวดต่อจนกระทั่งครบพันจบก็เป็นกรณีที่ที่หมอก็แปลกใจว่าตลอดหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายนี่นะไม่ได้มีความทุกข์ทรมานทั้งนางที่หมอเนี่ยค่อนข้างแน่ใจว่าอาการแบบนี้นี่ก็จะเจ็บปวดทรมานแล้วก็ มีภาพลงภาพหลอนต่างๆจต่จนีไม่เลอจนกระทั่งยังรู้สึกตัวจนกรทั้งนาซิชั่วโมงสุดท้ายนะซึ่งก็ซึ่งก็เป็นนั้นว่าเขาได้ทำสำเร็จนะ <c oughs> ลูกละลูกแล้วก็สามีแล้วก็พี่น้องและแม่มีความสุขมีความสุขที่ว่าเขาตายดี คือมันก็แปลนะคือส่วนใหญ่เวลาพูดถึงความตายเราก็นึกว่าความตายมันน่ากลัวแต่สำหรับสำหรับกรณีนี้แล้วก็อีกหลายกรณีเนี่ยความตายมันกลับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะว่าเขาจากไปอย่างสงบนะแล้วก็ไม่ได้ทุกทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่อยู่อยู่เยอะเลยซึ่งไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เป็นนักปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของเกจิอาจารย์นะ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเตรียมใจเกิดจากการเตรียมตัวตเขาทำสมาธิเขาเริ่มพิจารณาถึงชีวิตทำความคิดจนกระทั่งปลงตกปล่อยวางได้ในเรื่องทรัพย์สมบัติในเรื่องลูกหลานในเรื่องแม่แล้วก็แม้กระทั่งในชีวิตของตัวเองมีแต่กังวลอย่างเดียวว่าจะตายอย่างไรถึงจะสงบแล้วก็ทำสำเร็จ แต่ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นได้ก็เพราะสายสิงวัดล้อมช่วยด้วยนะคือพี่น้องเข้าใจ พ, พ่อแม่เข้าใจเขาก็ที่จริงเขามีรายเหเียดมากกา น, นั้นเพื่อนออยเขียนเป็นหนังสือไว้ละเป็นเล่มกๆ เ, เ, เขาก็พูดถึงเรื่องออนอกจากการท ำ, ทำจิตเป็นสมาธิการสวดมนต์แล้วเนี่ยการได้การได้เห็นคนรักอยู่พร้อมหน้าแล้วเนี่ยมันก็มีการอำลาอำลาก็ ก็ก็ลำลากันนะรวมทั้งขอพูดให้ใหพูดนำทางให้ให้อโหสิอโหสิรวมแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรนะคือบทเปื้องสินค้างคาใจทุกอย่างคนเรามันมีสินค้างคาใจอยู่นะถ้าไม่ถ้าไม่โกรธคนอื่นก็รู้สึกผิดนะที่ไปทำร้ายคนอื่น หรือไปทำให้คนอื่นเจ็บเจ็บปวดนะความรู้สึกโกรธและความรู้สึกผิด2 อ, อย่างนี้น ม, นมันมันเปนสงซึ่งค น, นไม่ค่อยเฉลียวใจแล้วก็มาัากจะค้างคาจกนกรทั่งไปรบกวนในวันสุดทางชีวิตแต่ว่าถ้ารู้จักที่จะปล่อยทั้งความโกรธคือให้อภัยแล้วก็ปลดเพิืมอความรู้สึกผิดด้วยการขอโทษ มันก็ช่วยทำให้จิตใจนี้เบาสบายได้เรื่องการการตายสงบนี้มันก็เท่าที่เท่าที่ไ ด, ได้ได้รับรู้มาคือช่วงนี้เนี่ยก็ไปทำการอกลมเผชิญความตายสงบแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของคนจานวนมากแล้วก็พบว่าความตาสงบนี้มันเป็นเรื่องซึ่งทุกคนสามารถทำได้ อย่างมีมีมพยาบาลที่ข อ, อนการเข้ามาไล่ฟังเด็กอายุห้าขวบเป็นมะเร็ง น, นะแล้วก็วันสุดท้ายนี่ทุกปวดมากเลยปวดมากนะยาเอาไม่อยู่นะพยาบาล น, นี่แกก็ไม่ได้รู้เรื่องทํามะอะไรแต่แกรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กเด็กคนนี้เนี่ยห้าขวบก็ชอบอุตร้าแมน อุตตรแมนรู้นะ อ, อุตตรแมนเขาอยู่กับเด็กมาเขาก็รู้ว่าเด็กชอบอุตตรแมนเขาก็เขาเนื่องจากเขาเคยฝึกวิธีนี้มาเขาก็เลยแนะนําเด็กว่าให้ให้เด็กนี่หลับได้หลับตานะเด็กรังปวดอยู่นะบอกว่าเด็กให้นึกถึงอุตตให้นึกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปซื้ออุตตรแมนให้เด็กกินนาการเริ่มจากที่บ้านนะแล้วก็ พยาบาลก็นำเด็กไปว่าเนี่ยนี่กำลังพาหนูไปที่เดินไปที่ห้างนะกลางทางเจออะไรบ้างเด็กก็บอกว่ามีเป็นสวนเป็นสวนเด็กเล่นสนามเด็กเล่นพยาบาลก็ถามว่าสนามเด็กเล่นนี้เป็นอย่างไรเด็กก็ไล้ฟังพรนน า, นาแล้วก็พยาบาลก็เสริมข้าไปว่าเด็กได้เล่นชิงเสาชิงช้าอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็เดินต่อไปจนถึงห้างสรรพสินค้า นำไปอยนว่าเดินไปตั้งแต่ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนนะแล้วก็ได้ซื้ออุตตาแมนอุตแมนสีอะไรรูปร่างยังไงเด็กก็พรันนาบรรยายเด็กก็มีความสุขมากในช่วงนั้นนี่ความทุรนทุลายหมดไปเลยนะแล้วก็เขาพิเขาคนนําไปแล้วสักสินาทีได้เด็กสงบเลยแล้วก็วันนั้นเด็กก็ตายหัยงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยไม่ไม่กี่ชั่วโมงเด็กก็ตายก็เรียกว่าตายอย่างอย่างสงบมาก นี่ก็เป็นตัวอย่างว่า้เรื่องการตายอย่างสงบเนี่ยนะมันเป็นความสามารถที่ทุกคนสามารถทำได้นะถ้าหากว่ามีสิ่งอํานวยสิ่งอํานวยน่นก็อาจเช่นปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือการฝึกฝนทั้งทา ง, ทา ง, ทางจิตทางปัญญาฝึกฝนทางจิตคือมีมีสติมีสมาธิปล่อยวางมีปัญญาจนปล่อยวางได้ว่า ไม่ควรจะเอาอะไรยึดถือเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างปล่อยวางไปหมดเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งร่างกายเราก็ไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นต้นมีกลายนี้ก็เป็นเด็กสิบขวบนะเด็กสิบขวบมีเป็นนะ ก, ก็เป็นเป็นมะเร็งวนะันนี้แม่นี้ ก, ก็ก็ฝึกให้เด็กนี่ได้ยอมรับความตาย แต่พอพอถึงเวลาถึงวันสุดท้ายในชีวิตจริงๆเนี่ยเด็กก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเด็กเห็นเลือกก็ตกใจถามว่านี่หนูจะตายแล้วหรือเนะี่ยาบาลนี่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะเขาก็บอกเลยหนูกําลังจะตายแต่หนูอย่าอย่าตกใจหนูเป็นเด็กกล้าหาญนะให้เดินไปข้างหน้าเลยอาจารย์พุทธทาสรออยู่ข้างหน้า นะคือเขารู้จักจามุท้าเขาเคารพอยู่พราตอนนี้เขาเป็นคนใต้หัดใหญ่หนูเดินหนูเดินไปข้างหน้าเลยหนูเป็นคนกล้านะแม่แล้วก็แม่และป้าป้าคือพยาบาลนะจะช่วยอยู่นะเด็กก็สงบนะแล้วก็แม่ก็ให้ให้นำพอนาพุโทโธนะก็นำไปยนต์ตายนะในวันนั้นแหละ ก็เรียกว่าตายสงบได้ทมื่อที่เด็กก็อดกระสับกระส่ายในทีแรกประเด็นคือว่าของนี้เนี่ยมันมันอยู่ในความสามารถอยู่ในวิสัยที่เราจะจะจะตายได้อย่างสงบโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีมากจะใช้เทคโนโลยีบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยทําให้บรรเทาความเจ็บปวดได้โดยที่ไม่ทําให้สติฟั่นเฟือนอย่างกรณีพรเนี่ยพอนี่ก็ไม่ไม่ไม่ละไการรักษาเลยนะ เขามาตายที่บ้านเขาเตรียมตัวเขาเตรียมตัวดูแลบ้านอย่างดีเพื่อให้เป็นที่ที่ตายหลวงพ่อมเขียงก็บอกบ้านของพอ น, นี่มันหน้าตายนะแล้วคนเรานี่ส่วนให ญ, ญ่สร้างบ้านให้น่าอยู่แนตะ่ไมไ่แต่ลืมพิจาราสร้างบ้านให้หน้าตายาทั้งที่บางทีให้การการตายสาคัญกว่าก็เขาปลูกต้นไม้แรงต่างเขาเตรียมตัวตายที่บ้าน หมอนี่ก็ดีก็ไม่ไม่รักษาคนเลยแต่ว่ามีมาช่วยช่วยช่วยช่วยดูแลให้เขาสามารถที่จะตายอย่างไม่ทุกทรมานเช่นเอาเอาออกซิเจนมาให้แล้วก็ใช้ยาที่จะช่วยลดวยความปวดแต่ไม่ไม่ ตอนนี้ก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันพอใช้ยาแนละ้วมันเบลอเขาก็จะทำอนาปาอย่างเดียวอนาปาเนี่มันทำให้อนาปาคือตามลมหายใจเนี่ยพอมีสติลมหายใจและความปวดมันทุบเราหมอก็แปลกใจว่าเขาเขาใช้ยาไม่มากจนกระทั้งตอนท้ทายนีย่อาการอาการปวดมันหนักมากขึ้นเพราะมันลามไปทั่วเลยเขาก็เริ่มใช้ยาแต่ยานี่หมอหเขาเก่งนะเขาก็ใช้ผสมยา ที่ทำให้เจ็บปวดน้อยลงแต่ว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลงไม่ฟั่นเฟือนไม่ไม่เบลอือรงกันทั้งเขาโคม่าไปเลยพอนี่โคมา่า22 ง, งวันซึ่งต่างจากยมพันวดียนยมพาวดีนี่แทบจะไม่ไม่จะโคม่าแค่หรือไม่รู้สึกตัวแค่อาจจะชั่วโมงเดียวมั้งหรืออาจจะไม่กี่นาไม่กี่สิบนาทีแล้วก็ไปแต่พรอนี่2วันส่วนยามเมลีนนี่จะโคม่าหลายวันแล้ว ก, ก, ก็ถึงค่อยไป อันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าจะฝึกเอาไว้นะ <succeed. S 1> เรื่องตัแต่การพิจารณามรรสติอยู่เสมอเห็นว่าความตายของเราเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน <c ười> แต่ที่มันแยกกันนั้นก็คือว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหรตายที่ไหนตายอย่างไรไ <c ười> อ้ความตายนี่เป็นของแน่นอนที่มันแยกอยู่แล้ว <c ười> แต่ที่มันแยกกันนั้นคือว่าไอ้ความไม่แน่นอนที่จะตายเมื่อไหรที่ไหนอย่างไรเนี่ คือถ้าตายแน่นอนแต่แ ต, แต่ควบคุมสถานที่เวลาและสาเหตุได้นี่มันยังพอพอพอสู้ได้นะแต่ความไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรตายที่ไหนแล้วก็ตายแล้วไปไหนเนี่ยไอความไม่แน่นอนตรงนี้มันคนมันทำให้คนทุกทรมานได้มากกว่าและเพราะความที่มันไม่แน่นอนเนี่ ย, ยงที่ทำให้เราต้องเตรียมตัวตลอดเวลา การพิจารณาม ล, มล็ดมนตินี้สำคัญขึ้นรถลงเรือเดินทางก็เผื่อใจไว้บ้างว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางครัง้งสุดท้ายของเราก่อนจะหลับนะก็พิจารณาว่านี่อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของเราอาจจะไม่ได้ฟื้นแต่ถ้าพิจารณาแค่นี้มันไม่พอนะต้องถามต่อไปว่าเราจะไม่ได้เจอลูกของเราอีกเลยจะไม่ได้เจอ พอแม่ของเราอีกแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทํางานที่ค้างค้างเรารู้สึกยังไงคือเราบอกว่าฉันจะตายเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอนึ้ถึงแม่นึกถึงลูกนึกถึงงานการนึกถึงทรัพย์สมบัตินีมน่มันทำใจยากนะบางคนนึกถึงไรนึกถึงทีไรก็ยังร้องไห้อยู่ ถ้านาที่แค่พิจารณาบร น, รนสติแค่นั้นแหละคือลูกก็ยังไม่ได้ตายจริงแต่พอคิดว่าถ้าฉันไปนี่นะลูกก็จะไปฉันก็จะไม่ได้เห็นหน้าลูกนะนถ้าเรามองให้ลึกไปถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมันอาจจะยากกันนะสาหรับคนที่ยังมีความผูกพันนแต่ว่าให้ทหําใบบอยมันก็จะได้ช่วยเตือนเตือนตัวเตรียมเตือนใจแล้วก็เป็นการเตรียมตัวไปด้วยคือฝึกการปล่อยวางฝึกการปล่อยวาง ถ้าเราไม่ฝึกปล่อยวางเสียเลยถึงเวลามาจริงๆแล้วมันจะทำไม่อยู่ทำใจไม่ได้การฝึกปล่อยวางสำคัญที่จริงต้องฝึกปล่อยวางแล้แต่เวลาเวลาสูญเสียพัดพลากจากอะไรก็ตามของหายเงินของเสียเงินหาย ปกติคนก็จะทุกข์นะเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านั้นเงินหายรถพังนะบ้านถูกไฟไหมคนเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามองว่านั่นแหละคือการเตรียมตัวให้เรารเผชิญกับความสูญเสียพัดพลาดที่อย่างนั้นคือความตายถ้าเงินหายรถเสียยังทำใจไม่ได้แล้วเมื่อถึงเวลาตายเราจะทำยังไง การฝึกแบบนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราปล่อยวางได้เพราะว่ามันคือกระบวนการในการเตรียมตัวให้เรารเผชิญกับความตายซึ่งเป็นความพุกข์ที่ร้ายแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ถ้าเราไม่ไม่มองตรงนี้นะเราก็จะซุกเราก็จะทุกเราก็จะเสียใจเงินหายรถเสีย ลองพิจารณานี่เธอว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามนี่ถือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนว่าเรานี่คือกา ร, การเตือนนี่คือบททดสอบว่าเราจะต้องเจอที่หนักกว่านี้ถ้าบททดสอบนี้เรายังไม่ผ่านแล้วบททดสอบสุดท้ายในชีวิตเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรมีคนหนึ่งนี่เป็นผู้ชายเขาเพิ่งซื้อโทรศัพท์มือถือมาเพิ่งกับ2องหมืน่น ทำหายเสียใจอยากได้คืนไปหาหลวงพ่อวัดใกล้ๆซึ่งเขาเรือว่าเป็นเกจิอาจารย์อยากให้หลวงพ่อช่วยทํานายทายทักจะได้คืนมาไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ถามในยี่ห้ออะไรหายที่ไหนหลวงพ่อถามว่ามีทองไหมนี่หลวงพ่อบอกเออยิ่ไม่นั้นก็หาย มีรถไหมมีอีกแม่นาคก็หายมีแฟนน้อมีครับอีกไม่น า, กานค ก, นาก็ไปพอเจอสังขคำถามนีม้แกกราบหลวงพ่อเลยนะไปเลยคือไม่ได้กลัวหลวงพ่อแช่งมากไปกว่า น, นี้นะแต่คือเข้าใจแล้วเออไอ้แค่ไอ้การโทรศัพท์การที่โทรศรัพท์หายนี่มันมันยังไม่ใช่มีแค่นี้มันจะมีตามมาอเยอะแยะที่จะต้องหายที่จะต้องพัดพลาด บอเข้าใจตรงนี้ได้ เ, ออเราก็ต้องสูญเสียเยอะนะให้โทษซ้ำ ม, มือถือเป็นการเรื่องธรรมดาอะไรที่หายนะนี่ถ้าเรานี่ก็เป็นการพิจารณาความตายเหมือนกันนะพิจารณาความตาย mm hmm. เกิด อ, อะไรขึ้นมาก็พิจารณานะว่ามันคือบททดสอบของเรา mm hmm. ก็ก็คิดว่าอันนี้ก็ก็พูดเอาไว้เป็นเป็นแนวนะ ส่วนเรื่องว่าวิธีที่จะทำใจอย่างไรในในรายละเอียดหรือว่าจะช่วยคนรักของเราให้ตายสงบอย่างไรในเวลาสุดท้ายเนี่ยเขียนไว้แล้วในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ก็เปิดอ่านดูได้ก็ก็พูดไวเ้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นแนวกว้างๆไว้อย่างนี้ก่อน ถ้าสนใจก็อาจจะสักถามพูดคุยกันต่อได้เรื่องตาเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเป็นหัวใจของความทุกข์เนื่องจากความพลาดพลาดและก็ความตายของหายนี่เราก็ทุกข์เพราะว่าเราไปมีความสําคัญบรรหมายว่าตัวกูของกูอัตาเป็นเรื่องตัวกูของกูของหายก็ทุกข์เพราะว่าของกูมันหายใช่ไหม ถ้าเป็นของคนอื่นหายนี่กูไม่เดือดร้อนนะแต่พ่อเป็นของกูนี่หายมันทุกคนเรทุกเนี่ยส่วนใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวกูของกูนี่มันถูกกระทบอะแล้วความตายเนี่ยความตายมันมันหมายถึงความสูญเสียทุกอย่างที่เป็นตัวกูของกูพ่อแม่ที่น้องลูกหลานทรัพย์สมบัติบ้านเรือนที่ดินที่เป็นของกูนี่มันจะต้องหมดไปจะต้องสูญไปเงินเจ็ดหมื่นสาพล้านที่กูสร้างเอาไว้ มันก็จะสูญหายไปใช่ไหมมันทนไม่ได้แล้วเท่าไหรคือว่าถึงแม้ไม่มีเงินสักบาทเนี่ยแต่ว่าความสุขตัวกูเนี่ยจะตายคนเราเนี่ยมั น, ม, นมันยอมรับไม่ได้ถ้าหากว่าตัวกูเนี่ยมันจะสูญสิ้นไปไอันนี้เป็นเรื่องลึกนะไอ้คือคนเราเนี่ยมัน คน้อนเนี่ยมันไม่ยอมรับยอมรับไม่ได้ที่ตัวกูนี่จะจะดับศูนย์ไปปัญหาคือมันไม่เคยดับศูนย์เงเพราะมันไม่เคยมี คือมันไม่ไม่คือตัวกูเนี่ยไม่ไม่เคยดับศูนย์เพราะว่าไม่ันไม่เคยมีตัวกูมาตั้งแต่แรกแต่เรานึกไปเองว่ามันมีใช่ไหมไอการที่เรานึกไปเองว่ามันมีแล้วมันตรงเนี้ยถ้าเราถ้าเราเข้าใจว่าตัวกูไม่มีตั้งแต่แรกเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครตายไงกูก็ไม่ได้ตายไงกูก็ไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกแต่บรรดาคือเราไปยึด ว่ามันมีตัวกูตั้งแต่แรกพอตัวกูตายเนี่ยมันก็เลยทำใจไม่ได้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้ให้ให้ยอมรับแค่ว่าตัวกูนี่มันตายมันดับศูนย์แต่ให้เห็นแม้กระทั่งว่าที่จริงตัวกูไม่เคยตายเลยเพราะมันไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกอะใช่ไหมไอ้ตรงนี้มันทําให้เรามันหลุดเลยอะมันหลุดใช่ไหม เมื่อไม่มีเมือม่อเมือม่อมืไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่มีใครตายเนี่ยไม่มีผู้ตายอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าออ่คนยังไม่มันมันตรงนี้มันมันมองไม่เห็นหรือทำใจไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะรู้สึกสบายใจถ้าเกิดว่าเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยมีสวรรค์ตายแล้วยังยัง ยังไปอยู่กับพระเจ้าหรือตายแล้วนี่มีพบหน้าหรือตายแล้วไปเกิดใหม่เออสบายใจอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ดับสูญมันยังมีที่ไปมันยังไปต่อใช่คนสมัยนี้เนี่ยมันไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องนรกไม่เชื่อเรื่องาพบหน้าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันถึงทุกข์มากอ่ะเนี่ยกลัวตายเพราะว่ากลัวตัวดนดับสูญเลยต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้เพราะถ้ามีอนุสาวรีย์ให้แล้วเอออนุสาวรีย์นี่ เคยดีนไหตัวตายแต่ชื่อยังตัวตายแต่ชื่อยังเคยดีนไหมคือสมัยนี้เนี่ยไม่เชื่อลงพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกนะแต่ว่าถ้าคิดว่าเออตายแล้วมีอนุสาวรีย์ให้ตายแล้วเนี่ยชื่อยังอยู่เนี่ยเออมันกล้าตายยอมตายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่จะกลัวตายเพราะ กลัวตัวตัวบรรดับสูงย์คนสมัยก่อนเขาไม่กลัวเพราะเขา <S <S เขารู้ว่าชีวิตนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในอีกอีกหลายๆชีวิตที่จะต้องเป็นแค่เรียกว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเป็นเป็นจุดจุดพักอะ่ะก่อนที่จะเดินทางต่อนะเขาก็ไม่กลัวเ อ, อเดี๋ยวเขาไปเจอกันชาติหน้าอะไรเงี้ยตายไปแล้วไม่เป็นไรขอไปเจอกันชาติหน้าแต่เดี๋ยวนี้มันทําใจยากเพราะไม่เชื่อ ก็พระอาจารย์ผูท้ทบอกไงว่าให้เราให้เราตายก่อนตายตายก่อนตายคือว่าตายจากตัวตนคือถ้าไอตัวกูมันตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลัวความตายแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีใครตายแล้วไม่มีตัวกูที่ตายเพราะตัวกูมันไม่มีให้ตายแล้วใช่ ก็มีมีมีเรื่องเล่าของท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีท่านเคยเคยไปทุดงท่านพ่อหลีรู้จักใช่ไหมเป็นลูกเสียอาจารย์มั่นผู้สร้างวัฏสงการรามท่านมรณภาพเป็นนานแล้วท่านพ่อหลีท่านก็หลวพ่อหลีแล้วกันท่านท่านก็ไปทุดงแล้วก็ไปในป่าก็ไปเจอไปเจอ ลุงกับป้าคนหนึ่งเป็นชาวบ้านแกก็ไล่ฟังว่าเนี่ยเป็นพวกหาของป่าแล้วก็ก็ไล่ฟังว่าเนี่ยมีค่าวหนึ่งไปหาของป่าแล้วปรากฏว่าไปเจอหมีหมีตัวใหญ่เลยไนะปเจอแบบประจันหน้ากันเลยตัวตัวตัวป้านี่ก็วิ่งหนีทันขึ้นต้นไม้ไแต่ตัวลุงนี่หนีไม่ทันก็โดนโดน โดนหมีนี่ตนะปบแกก็สู้แต่ยิ่งสู้นี่ก็ยิ่งเจ็บตัวนะหมีมันก็ตบเข้าไปใหญ่ป้าที่อยู่ข้างบนต้นไม้ก็บอกว่าให้แกล้งตายแกล้งตายนะลุงลุงนั่แกก็ได้คิดขึ้นมา <c oughs> ก็เลยแกล้งทําเป็นตายนะพอแกล้งทําเป็นตายแน่นิ่งอยูอย่หมีนี่มันตบตบดู ก็เห็นมันไม่ขยันมันก็คิดว่าตายแล้วมันก็เลยไปพ่อหมีมันไมไ่้มันไม่ได้กินกินสัตว์อยู่แล้วลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะพ้นตายก็ต้องต้องทําตัวเหมือนตายลุงก็พูดกับอาจารย์ท่านเหลียเพราะทอธนหลียก็เออได้คิดเลยนะถ้าอยากพ้นตายทาตัวเหมือนตายนี่ธรรมะเลยแหละแต่ว่าทําตัวเหมือนตายในยที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแก้งเป็นตายนะแต่หมายถึงว่ามันมืนกับ ใช่พูดลึกซึ้งคือมันคือถ้าตายจากตัวตนน่ะถ้าตายตัวตนไม่อก็พ้นตายคือว่าความตายทําอะไรไม่ได้หรือผู้อยากจามผู้ท่านคือว่าไม่มันไม่มีความตายเกิดขึ้นแล้วเพราะไม่มีไม่ไม่มีไม่มีตัวตนน่ะไม่มีในายก็ไม่มีในขอตั้งแต่แรกแล้วในขอจะตายได้ไงนายกอจะตายได้ไงนเมไม่มีในกยในขอตั้งแต่แรก ก็อันแรกก็อย่างที่พูดก็คือว่าเวลาคือท้ายเป็นกิจวัตรเช่นเวลาลก่อนนอนพิจารณาเมล้นสติว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้จะเ ป, เป็นคือสุดท้ายของเราให้เลือกถึงให้นึกถึงความตายของเราในอัสนะ น, นี้ รวมทังถึงความนึถึงลูกหลา น, นถึงทรัพย์สมบัติที่เราต้องพัดพลาดนึกถึงพวกนี้ด้วยหรือเวลาเราจะขึ้นรถลงเรือพิจารณาว่านี่เราอาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราอันนี้อย่างแรกเลยนะสเนี่ยเวลาเราเราอ่านไทยลัตจะอุปัติเหตุแหกโค้งเทกระจาดหรือว่ารถตกคูอะไรเงี้ย ให้เราน้อมเข้ามาใส่ตัวว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นบ้างหรือมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้สักวันใดก็วันหนึ่งนะคือเดี๋ยวนี้คนเราเวลาดูพวกนี้อ่านหนังสือพวกนี้เนี่ยไม่ได้คิดอะก็เพียงแค่อยากรู้อยากเห็นแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาใส่ตัวสักวันหนึ่งา จ, จะเกิดขึ้นกับเราก็ได้ไม่ใช่แคาอุบัติเหตุนนะแม้กระทั่ง การยิงฟันแทงกันอะไรต่างเนี่ยน้องเข้ามาใส่ตัวอาจจะเกิดขึ้นกันเราก็ได้ตรงนี้มันก็ช่วยทาให้เราเกิดความไม่ประมาทหรือถามตัวไปก็ได้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในเราเราจะทำยังไงในในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่อีกไม่กี่อีกไม่กี่วินาทีหรืออีกไม่กี่นาทีเนี่ยจะทำยังไงไอตรงนี้มันจะช่วยทาให้เราเกิดความ ที่เราก็เสียว่ามาไงแต่ว่าถ้าเราทาใจให้เป็นก็จะทำได้สุดเออมันต้องฝึกฝนนะต้องเตรียมใจนะอย่างที่สองนะคือเวลาอา่านสุพิมดูข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เราน้องามาใส่ตัวหรือสมเวลาเราไปเยี่ยมคนตามโรงพยาบาลพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเขาบ้างเราจะทำอย่างไรนะ เราเตรียมพร้อมหรื อ, อยังวันที่4ไปงานศพไปงานศพก็พิจารณาเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปเป็นอย่างเขาเหมือนกับที่เขาเคยเป็นอย่างเรามาก่อนอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปงานศพเราไปแค่สังสรรค์ไปสังสรรค์ไปพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าไปเพียงแค่ไปช่วยเหลือญาติพี่น้องของคนตายเท่านั้นอันนั้นก็ดีอยู่ แต่ว่าจะให้ดีกว่านั้นถ้าหว่าเราไปแล้วเออเราก็ได้ประโยชน์ส่วนตัวได้คือเราแล้วเกิดราเกิดความสำนึกในเรื่องของธรรมะเรื่องความจริงของชีวิตอันนี่ห้า น, นี่ก็อย่างที่ว่านี่คือเวลาเจอความพลดพลาดสูญเสียแล้วก็ตามเนี่ยอย่าไปเอาแต่ทุกข์อย่าเอาแต่ขํามควรอย่าเอาแต่เสียใจของหายเงินหายอย่าเอาแต่เสียใจให้นึกว่านี่คือนี่คือบททดสอบขั้นต้นๆหรือสัญญาณเตือน ว่าเราจะเจอสิ่งที่หนักหนาก่อนนั้นหรือจะเจอบททดสอบที่สำคัญ ท, ที่สุดในชีวิต ค, คือความตายพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราถามหรือว่าถ้าเรายังทำยังทำใจไม่ได้แล้วเราจ ะ, ะเผชิญความตายได้อย่างไรเนี่ยประมาณเนี้ยสี่หอย่างเียถ้าเราทำอยู่บ่อยนะมันมีความส พ็เจริญลึกหรือหรือมันอยู่ในหัวอยู่แต่ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมันต้องมีเหมือนกับมีบทแบบฝึกหัดอยู่เยอะเยอะมันจะเจอรู้สึกทำให้ตัวเองเนี่ยเอ่ออ่อยังไงเชี่ยวชาญขึ้นในการที่จะเผชิญกับแต่ละแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นอยาเช่นเอาเอาง่ายๆว่าเออซื้อรถมาใหม่ๆเนี่ยมีรอยแครก็นใจหายว่าแต่เดือนนี้เนี่ยกี่แครกก็สบายแล้วไม่สนใจ คืออ <c ười> okay, ันนั mm. like ้นน่ะโอเคผ่านแต่ประเด็นอย่างประเด็นเนี่ยเออม้าตายเนี่ยหลายตัวละใหม่ๆแล้วก็ร้องแล้วก็เสียใจแต่ตอนนี้อ้าวตายแล้วเลยแก็ขุดหลุมฝังมันก็โอเคมันก็ก็ก็ก็เหมือนกัผ่านแต่ที่พอมาเจอเพื่อนเพื่อนเสียอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับยังทําใจไม่ได้อย่าเงี้ยมันต้องบกเสียในหลายคนของทุกคนแหละก็ก็นั่นแหละคือมันต้องเจอบ่อยๆต้องเจอบ่อยๆอ่ะ มันเจอบ่อยๆคุห้องมันมันต้องเจอบ่อยแต <c oughs> เ่เราถึงจะเราถึงจะเราถึงจะเราถึงจะขึ้นใจถึงจะคล่องแคล่ว <c oughs> ใช่ไหมแต่ที่จริงไม่ต้องเจอกับไม่ต้องเจอบ่อยๆกับ กับคนที่ใกล้ตัวก็ได้ไงอย่างที่บอกเนี้ยว่าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยคนที่ตายนี่ใกลตัวทั้งนั้นแต่ว่าถ้าถ้ามองให้เป็นมันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมที่ดิฉันผู้เจ้าบอกนวะว่ามรณสตินี่นะเ ค, เคยคุยกับพระนนท์พระนนท์บอกว่าเออผู้เจ้าบอกว่าเนี้ยแค่ทําันละทำวันลาครั้งสองครั้งนี้ยังถือว่าน้อยนะนะ ทำช้ากวันเย็นก็ถือวันน้อยกินข้าวสอสามคำแล้วก็พิจารณาทีก็ยังถือว่าน้อยนะคือเรียกว่าต้องทําทุบลมหายใจเลยเพราะว่าลมหายใจเราเข้าออกเข้าออกก็คือเกิดดับเกิดดับนั่นเองมันเป็นอนนี้จังคือมันเป็นมันมันอยู่ในกระบวนกระบวนเดียวกันของความความตายเข้าเกิดดับ ลมหายใจเข้าออกอาทิตขึ้นอาทิตย์ตกแล้วก็หน้าร้อนเปลี่ยนเป็นหน้าฝนหน้าฝนเปลี่ยนเป็นหน้าหนาวไอ้พวกนี้มันอยู่มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคือเรื่อง อ, อนิจจังนะนี่เราก็ก็ต้องพยายามพิจารณาอยู่เสมอผู้เจ้าบอกงี้เทียบผู้เจ้าเทียบว่ามานี่มี4ีประเภทประเภทแรกนี่แค่เห็นเงาประตักเนี่ย ของคนของคนขี่เนี่ยก็รู้แล้วว่าจะจะไปทางไหนประเภทที่สอนนี้ต้องโดนแทงถึงหนังประเภทที่สามเนี่ยต้องโดนประตัดแทงถึงเนื้อถึงจะถึงจะรู้ประเภทสีท่ต้องโดนแทงไปถึงกระดูกม a าสีประเภทนี้หมายถึงคนสีประเภทประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่รู้เพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายที่โน่นที่นี่ก็รู้แล้วว่า จะต้องเตรียมตัวปฏิบัติธรรมเข้าหาธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายถึงจะเกิดความตื่นตื่ น, ต, นตื่นตัวประเภทที่สต้องมีญาติพี่น้องใกล้ตัวตายถึงจะขยับเขยื้อนเข้าหาธรรมะหรือเตรียมตัวประเภทที่4ี่ตัวเอยเนี่ยใกล้จะตายเนี่ยถึง ขยับประเภทว่าไม่เห็นลงไม่หลังน้ําตายคือเราเลือกได้ว่าเราจะอยู่เป็นประเภทไหนอะเราเป็นประเภทที่1นประเภทที่2 3 4สามสี่คือเป็นประเภทที่1ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปวดมากนะไม่ต้องไม่ต้องเจ็บปวดมากแต่เฉลียวใจไงได้ยินคนที่นอนตายที่นีตายไกลตัวเรื่องนั้นแต่ว่าฟังแล้วเกิดความสังเวชสังเวชในที่ไม่ได้หมายถึง ห, หัวหัวแต่หมายถึงว่า เออเกิดความไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่เป็นคนที่หนึ่งนะเราก็ต้องเป็นแบบคนที่2หรือ3หรือ4แล้วล่ะซึ่งมันแย่ทั้งนั้นอนะ่ะสองก็คนรักอะ่ะไอ้สองนี่ต้องต้องเจอตายต่อหน้าอย่างเช่นซุนมินวิ่งเนี่ยวัดด้านยางเงี้ยโอ้คนเภศสามต้องเป็นคนคนใกล้คนเพศสีหนักเข้าไปใหญ่เจอเองเลย งั้นถ้าเราเลือกนี่ขอเลือกไปเพศที่หนึ่งก่อนดีกว่าเจ็บตัวน้อยหน่อยเจ็บตัวน้อยหน่อยมีข้อที่ยมกเปรีบทียบดูว่าเพราะว่าบุคคลบางประเภทนว่าบุคคลบางบุคคลเราเราสามารถที่จะทำความรู้สึกได้เวลาตายหรือว่าส่วนายนนนแล้ก็ไม่รู้สึกเศร้าเวลาญาตน้องตายเวลาคนใกล้ชิดตายมันไป ไปรู้สึกกับคนาบางประเภทที่กลัวตายก็ไม่กลัวอยอมทําอะไรทุกอย่างแบบว่าประเภทพวกที่เรียกว่าเป็นโจรหรือเป็นอะไรที่เขาเรีวยกว่าใจหยาบ้ายอะไรพวกนั้นนะครับคื อ, อพ่อพ่อแม่ตัวเองตายก็ไม่ไม่เสียใจไม่ตายก็ไม่เสียใจใครตายก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเป็นภาวะอะไรมันใกล้เคียงกับคนที่ถึงเพราวะว่าที่เข้าใจภาวะการ<ม>ตายมันเป็นภาวะคนระดา น, นกันแต่ยว่า คล้ายกันยังไงผมยังยังไม่ค่อยอธิบายได้แล้วนะพวกจอเนี่ยพวกจรเนี่ยโอไม่ยุติการตายคือมันเขมีหลายสาเหตุที่พวกจรนี่ไม่ไม่ไม่สะดวกตัวคือมันมันไม่ใช่คนที่ตัวฆ่าหรือคนที่ตายเนี่ยมันไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนที่ตัวเองปลูกพันุ์ด้วยคือไม่ได้เป็นพวกตัวกูของกูอะถ้าเป็นพวกกูเมื่อไหร่เนี่ยหรือเป็นถ้าเป็นกูเมื่อไหร่เนี่ยเดือดร้อนทุกข์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่จิตเขาติดจิตเขาเล็กจิตเขาแคบใช่ไหมคนน้นตายคนนี้ตาย เ, เนื่องจากเขาถือว่าไม่ใช่เป็นพวกกูเขาก็ไม่เดือดร้อนอใช่ไหมตอเพราะว่าครอบครัวของเขาคนของเขา ที่เขาคิดปลูกพันธดมนมีแค่แค่หยิบมือเดียวแต่คนหล่านั้นน่ะถ้าเกิดะตายขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนแน่นอนหรือประเภทที่2คือว่าอุดมการณ์อุดมการ์จัดเนี่ยนะอย่างเช่นพวกละเบิดพืชชีพเนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยตายแล้วศูนย์นะจะระเบิดไหมอาจจะไม่แน่นะแต่พวกละเบิดพืชชีพเนี่ยเชื่อว่าตายแล้วเนี่ยจะได้ไปสวรรค์ไงคือไอาการที่มีสวรรค์การที่มีชาตินา ม, มันทําให้คนกล้าตาย หรือถึงไม่มีสวรรค์นะแต่ถ้าจะมีอนุสาวรีย์มีชื่อการลึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็จะกล้าตายใช่ไหมคนคนยอมตายเพื่อชาติได้เพราะว่าชาติเนี่ยให้ประกันว่าเถ้าลู้ตายนะในสงครามนะว่าจะให้อนุสาวรีย์หรือว่าจะจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์หรือไม่ต้องชื่อเรื่องสวรรค์ก็ได้หรือไม่ต้องชื่อหลงวงพ่อเจ้ า, จาแต่เชื่อว่าถ้าตายแล้วมีอนุสาวรีย์ให้คนก็กล้าตายเพราะตัวตายแต่ชื่อยัง ไอ้ชื่อนี่ก็เป็นทำหน้าที่เป็นการสืบต่อตัวกูขึ้นไป<ม>ใช่ไหมไอ้ที่ตายนี่คือตายแต่ร่างกายแต่ตัวกูยังอยู่เพราะตัวกูเนี่ยไปปรากฏในประวัติศาสตร์ในอนุสาวรีย์ก็ตัวกูเ น, นี่ยเนี่ยชาตินิยมเป็นาศาสนาะอันนึงเพราะว่ามันทำให้คนมันทำให้คนกล้าตายหรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะตายเพื่อพักตัวตายตายแต่กายแต่พักอยู่ตัวกูยังอยู่ แต่เป็นตัวกูในนามพักใช่ไหมคือคนเราเนี่ยนะถ้าถ้ามันถ้ามันถ้ามันแน่ใจว่าตัวกูยังอยู่นะไม่ว่าจะในลักษณะใดเช่นตัวกูอยู่ในในสวรรค์ตัวกูนี่ยังอยู่ในอนุสาวรีย์หรือว่าปรากฏในรูปของพักหรือว่าบริษัทนะยอมตายทางกายได้นะระเบิดธีชีพก็ได้จะทําสงครามประชาชนเพื่อพักก็ได้ หรือว่าจะทำงานให้กับบริษัทจนตายคาออฟฟิศอย่างพวกญี่ปุ่นที่เป็นโลกคาราโอเชียอเอ้ยเนี่ยพวกนี้มันยอมตายได้ทั้งนั้นเน่เพราะมันตายแต่ตายแ ต, ต, ยแต่ตายแต่ตัวไงตายแต่กายแต่ว่าตัวกูนี่ยังอยู่แต่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าตัวกูไม่อยู่นะ เพคุณไม่เชื่อเรื่องพักไม่เช่เรื่องไม่เช่เรื่องชาตินิชานนะคุณไม่เช่เรื่องชาติไม่เช่เรื่องอนุสาว ร, รีย์คุณไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นะความตายทรมานมากเลยเมื่อคนสมัยเนี่ยทรมานมากเพราะมันไม่ใชื่ออะไรสักอย่างเพราะมนเชื่อแต่เรื่องเงินง่เงินก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะคือ เมื่อเมื่อวานนะครับตัวผมเองก็รู้สึกถูกตรวจสอบนะรวจสอบคือว่ า, าลูกนะัอติเหตุนะแล้วก็เป็นแผลพาลไปหาหมอแล้วห ม, หมอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนไปหมดแล้วเนี่ยพยาบาลก็มาแตความรู้สึกงผมเนี่ยรู้สึกว่าพยาบาล น, นี่ไม่รู้โกใครมานะาตาเขบุบึ้งมาผมนะรู้สึกว่าเาไม่ค่อยพร้อมที่จะทำบัตรแผละนะ ไม่ก็พร้อมภาวะทางภายในหัวใจเราก็รู้สึกกๆๆลัวขึ้นมาแลรู้สึกปุ๊บเอาอีกแล้วนะพยาบาลแบบนี้มาอีกแล้วาทาหัวใจเนี้ยพยาบาลแบบแบบมือพยาคาดมานะแล้วมือผมก็กลุมลูกไว้นะกลุมลูกไว้ลูกก็กลัวตาเชลเนียชเล่นวิเล่นเนียลูกก็กลัวแล้วก็หมอพยาบาลก็เริ่มเริ่มฉีดฉีดยาชาก็ฉีดปึ๊บเด็กก็ร้องเจ็บนะเขาลอ้อกสะบัดหัวเี้ยสะบัดแล้วก็ วิกนิดเดียวอ่ะที่เถีามจะไปโดนตาบานว่าอะไรไม่เก็บไม่จับวให้แน่นอะไรเงี้ยทีนี Lap ้เลือดก็ไหลเลือดก็ไหลออกมาเลยเลือดก็ทะลักออกมาแล้วอนนี้เลือดก็ทล <c oughs> ักออกมาเข้าเข้าตาเลือดเต็มเลยนะทีนี <c oughs> <functions> ้หมอกขเจียีตรงไหนแล้วก็ยกีเข็มลงไปในรูรูแผลนั่นแหละนะแล้วก็ยัดน้ายายัดน้ายาเข้าไปทางแผลนั่นแหละแล้วก็ยี่ยี่ยี่ยีี่ยวก็เๆเบ แล้วก็เนี่ยนัผู้ช่วย้ช่วยคนทำแผลเขบอกว่าบ๊อบนอยที่อนพี่ผมก็เจ็บมากเลยนะเจ็บมากแล้วก็อะไรอย่างนี้นก็สึกแบบเลือดในสูบฉีดสมองไม่ได้แล้ว <c oughs> รูกจะเป็นลมนะ <c oughs> นี่นี่คือภาวะภาวะของของคนที่แบบติดกับอัตราหรือเปล่านะติดกับตัวตนหรือเปล่ารู้สึกว่าของที่รักต้องเจ็บปวดคนนั้นต้องเจ็บปวดแล้วเราก็ต้องเจ็บปวดปวด้วยนะ แล้วมันมันจะจะจะค้นจากภาวะอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ เ, เพราะว่าผมรู้สึกว่าเออไม่ผ่านเมื่อวานไม่ผ่านประสบการณ์ไม่ได้ผ่า น, น, ย น, านอยากจะเครียดแค้นมอกว่าแค้นไม่ได้นะแต่ว่าเราจะจะแก้แนวนี้ยังไงก็ผู้จ้างสอนลูกออเบีขาคือเมือนกับลูกเราบางทีลูกเราก็อาจจะลืมสมุดลืมดินสอลืมทางกันบ้านก็ต้องถูกถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วก็ต้องถูกครูตีอชะไหม คนเป็นพ่อต้องยอมให้ลูกตีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็ น, น, ปนระเบียบแล้วก็มันทำให้เด็กไ ม, ไม่เด็กเด็กจดจำได้กลูกพ่อนี่เห็นลูกถูกตีมันก็ทำใจยากนะแต่มันจำเป็นอ่ะเพราะว่าไม่งั้นลูกเขาจะลืมอยู่เรื่อยแล้วเราไปช่วยแก้ต่างให้ลูกก็ไม่ได้เพราะาลูกก็จะไม่เรียนรู้เงี้ยคือมันนี่มันนี่มันต้องเป็นเบกขาแล้วคือ แต่ในกรณีอย่างว่าเนี่ยคือกรณีที่ว่าเมื่อวานนี่มันคือถ้าเราช่วยได้ให้เขาเจ็บปวดน้อยลงก็ดีอ่ะแต่บางทีมันก็สุดวิสัยเหมือนกันแต่สำคัญคือเรื่ออุเบกขานะอย่างกรณีเนี่ยคืออยู่ในเหตุการณ์กับเขาด้วยบางไม่ถึงแต่ตอนที่ตอนที่ตอนที่กำลังดูดเดือนเนี่ย แต่แต่ความรู้สึกคนละอารมณ์นะคือไม่ถึงกับว่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สงสารหรืออะไรเด็กแต่เรารู้สึกว่าหนึ่งแผลไม่ใหญ่เราไม่ตกใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันมันยังไงมันก็ไม่มีปัญหาลัเพียงแต่เด็กตกใจแล้วก็รอแค่นั้นเองแล้วพ่อแม่ก็เลยตกใจด้วยพ่าแผลตรงเนี้ยค่ะตกไอนแล้วมันก็โขกกระเบี่ยมเนี่ย มันก็จะเข้าไปตรงเนี้ยเรากรู้สึกมันไม่อะไรหรอกตั้งแต่แรกตั้งแต่ได้ยินเสียงโพ ก, กแล้วเราคือเฉยเแต่พ่อ <c oughs> <c oughs> กับแม่แบบวิ่งอย่างวิ่งก่อนเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่รู้ว่าหนึ่งคือเรามี ส, สติดีกว่าสองเราเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เราเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องห่วงขนาดนั้นหรือเปล่านี <c oughs> <ต>้เราแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกกังวลเลยว่าเด็กจะแบบเป็นอะไรมากหรือตกใจมากเราก็ได้ยิได้ยินเราบอกไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ เช็ดแผลช่วยอะไรช่วยเขาไปโรงพยาบาลเนี้ยก็คือคือคืออาจจะหนึ่งคือตัวเองไม่ได้สำคัญอย่างอย่างพ่อแม่ที่ต้องป็ความสําคัญแล้วเขรู้สึกว่ามันใกล้จีิดมากแล้วเป็นห่วงมากอย่างเงี้ย <ừ> mm. แล้วรูว้สึกว่าเล่นเฉยๆแม้แต่พยาบาลจะดุหน่อยแล้วก็แล้วก็เห็นเขาเป็นหมอเห็นพยาบาลแล้วรูเออมัน ก, ก็ดุเนาะแต่ว่าก็หน้าที่เขาก็ต้องทำางอย่างเงี้ยวันนี้ความผู้จ้องสอนพระวิหารเสียแม่ตากรุณาแล้ว แม่พ่อเนี่ยมีแม่ตากรุนามากความรักไอ้ลูกเจ็บปวดก็สงสารแต่บางทีก็ต้องมีกูแบกขาด้วยจะได้สมดุลไงเพราะบางทีรักมากเนี่ยโอ้โหมันทําใจยากนะลูกเดือดร้อนลูกไปเด็กเหมือนกัเด็กนัก เ, เรียนสมัยใหม่พ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยลูกไปค่ายเนี่ยโอ้ยนอนไม่หลับตัวพ่อแม่นอนไม่หลับนะลูกไปค่ายไปทรมานนะรักมากเนี่ยก็เลยไม่อยากให้ลูกลําบากนะ แต่บางทีต้องมีอุเบกขาเออไปก็ดีนะเพราะเดี๋ยขาจได้เติบโตเมื่อเข้าไปไปลำบากก็ต้องเติบโตถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยโหมันจะมันก็จะไปคอยปอกป้องลูกทุกอย่างนะก็ทําให้ลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะเผชิญกับเรียนรู้จากควา ม, มยากลาบากได้นี่พูดถึงนะพูดถึงตามหลักนะนต้องมีอุเบกขามาเขา้เข า, เข า, เขามาเข้ามาเข้ามาคานด้วยส่วนของตัวเองเคยบางทีรู้สึก ถึงอะไรนะต้องคอยแยกระหว่างการปล่อยวางกับยินยอมบางทีเบบ า, บาีสองตัวนี้มันตัวตัวไหนแน่อย่างี้ค่ะเพราะบางครั้งนี่มันทำให้เราไม่รู้สึกกับสังคมกับอะไรบางอย่างบางทีรู้สึกอย่างีวมันมีเหตุการณ์อนะไรรู้สึกว่ามันมันก็ไม่มีอะไรมันจบ